จะรู้ด้วยตาเปล่าได้อย่างไรว่าสัตว์ตัวไหนมีบุญถามอยากทราบครับว่าจะดูด้วยตาเปล่าโดยไม่ใช่ยานอย่างรู้ได้อย่างไรว่าสัตว์ตัวไหนมีบุญตอบก่อนอื่นต้องคํานึงคําว่าบุญ เป็นธรรมชาติซึ่งมีหน้าที่ก่อสุขคือทำให้จิตใจชุ่มชื่นเบิกบานขณะกำลังประกอบบุญและตกแต่งให้รูปร่างหน้าตากับความเป็นอยู่ดูดีเป็นที่สบายกับเจ้าของบุญขณะขาดใจตายจากภพหนึ่งหนึ่งหากบาปมีกำลังเหนือบุญเช่นต้องตกต่าลงมาเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นเรื่องยากพอสมควรที่บุญจะตามมาช่วยให้สุขสบาย อย่างมากก็แค่ประคองแม่ให้ต้องทุกข์ทรมานมากเท่าสหายในหมู่สัตว์ชนิดเดียวกันเท่านั้นแม้เคยประกอบบุญไว้มากแต่หากต้องเสวยผลบาปอย่างหนักแน่นเต็มพิกัดก็ไม่มีทางเห็นด้วยตาเปล่าว่าสัตว์นั้นๆเคยทำบุญไว้มากในที่ที่บุญไม่ถึงเวลาให้ผลมองไปก็พบแต่ลักษณะไม่ดีไม่น่าพิสมัย เห็นแล้วก่อให้เกิดความอึดอัดแทนยกตัวอย่างเช่นถ้ากรรมส่งให้ไปเป็นสัตว์เสือคลานจำพวกงูหรือจิ้งเลยทั้งหลายชีวิตย่อมเต็มไปด้วยข้อจำกัดช่วยเหลือตัวเองยากมีภารกิจหลักคือสืบพันธุ์ตามสัมชัตญาณแล้วก็เอาตัวให้รอดด้วยการทำให้สัตว์อื่นไม่รอด พูดง่ายๆคือข้าเขากินเป็นอาหารแม้เป็นงูที่มากด้วยบุญญาธิการก็ไม่ค่อยมีอภิสิทธิ์พิเศษแตกต่างจากสหายงูด้วยกันเท่าใดอย่างมากก็อยู่ในที่ที่ไม่โดนค่าเอามาทำแกงเผ็ดง่ายนักหรือโดนใจให้อยู่ในช่วงถือศีลอดนานกว่าปกติหน่อยประมาณนั้น ยิ่งถ้าประเภทเกิดในที่ที่กรรมเผด็ดผลให้ต้องเป็นสัตว์ถูกฆ่ากินจะพวกไก่หมูวัวควายคุณมองเท่าไหร่ก็มองไม่ออกหรอกครับว่าตัวไหนหมูมีบุญตัวไหนควายวาสนาสูงเพราะอย่างไรก็ลงเอยด้วยการโดนทุบด้วยค้อนโดนต้อนไปเชือ ด, ด้วยมีดวันยังคำ่ำที่จะได้รับการถ่ายชีวิต หรือจะมีคนเมตตารับเลี้ยงไว้ดูเล่นเฉยๆนั้นยากนักต้องทำบุญทำบาปมาแบบแปลกๆเช่นเป็นพรานมาทั้งชีวิตผลของปณติบาตจึงส่งมาเกิดเป็นสัตว์ถูกฆ่ากินแต่ในชาติที่เป็นพรานอาจเคยช่วยชีวิตพระไว้ไม่ให้โดนโจรป่าฆ่าตายบุญอันใหญ่หลวงนั้นจึงส่งผลให้มีผู้ถ่ชีวิตเป็นต้นรูปแบบการช่วยชีวิตนั้น เป็นไปได้หลากหลายแต่หลักๆ ก, ก็คือผู้ช่วยชีวิตย่อมได้รับการช่วยชีวิตอย่างสมน้ำสมเนื้อสัตว์บุญมากที่คุณอาจเห็นด้วยตาเปล่านั้นมักเคยเป็นมนุษย์ซึ่งประกอบบุญไว้ดีแต่พลาดตอนตายปล่อยให้จิตเศร้าหมองผูกพันอะไรกับหมู่มนุษย์พวกนี้มักไปเข้าท้องหมาแมว ซึ่งเป็นสัตว์สีเท้ามีความใกล้ชิดกับมนุษย์และอาจมีลักษณะดึงดูดใจมนุษย์ง่ายอัตรภาพของสัตว์พวกนี้ฉายแววว่าเคยประกอบบุญไว้มากได้เช่นลักษณะภายนอกน่ารักน่าสงสารแล้วก็อาจมีความตลกน่าเอ็นดูคนเห็นแล้วนึกอยากเป็นเจ้าของจับใจอยากชุบเลี้ยงให้สุขสบายราวกับลูกยิ่งถ้าบุญหนัก ก็ยิ่งได้สิทธิ์ไปเข้าพวกหมาแฟนซีมีสกุลอย่างเทอเรียพุดเดิ้ลซึ่งคนซื้อไปเลี้ยงมักรวยและธนุดถนอมปานแก้วตาดวงใจเกือบทั้งสิ้นนี่ก็นับเป็นร่องรอยความเป็นผู้มีบุญมากที่คุณอาจเห็นได้โดยไม่ต้องอาศัยยานอย่างรู้ใดๆและหากเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ประกอบบุญไว้มากมีความเป็นผู้นาในการให้ทาน และรักษาศีลเช่นใจใหญ่เป็นประธานการบูรณะอุโบสถตลอดจนแม้แต่ต้องลูกเมียชาวบ้านแม้เมื่อโอกาสมาถึงทว่าขณะเดียวกันก็เจ้าโทสะโกรธง่ายหายช้าชอบเบ่งชอบทำหน้าตาท่าทางให้คนกลัวนิยมเสพสุขจากอาการตัวสั่น ง, งินงกของผู้ได้กว่าตนอย่างนี้ตอนตายมีสิทธิ์ไปเกิดเป็นราชสีใหญ่ มีอำนาจราชสักเนื้อสัตว์อื่นในพงพีและอยู่ในที่ที่มนุษย์เข้าไม่ถึงไม่เหตุให้ต้องเสียความเป็นไทยคืออิสระตลอดอายุไขสำหรับราชสีนั้นรู ป, ปรพันณสันถานกับท่วงทียิ่งใหญ่หน้าเกรงขามที่สัตว์อื่นจำยอมสยบให้ตลอดจนสัญชตาตญาณผู้นำที่เกิดขึ้นเองและขมได้แม้พวกเดียวกัน ก็นับเป็นร่องรอยความเป็นผู้มีบุญมากที่คุณอาจเห็นด้วยตาเปล่าถ้าดันดนไปถึงถิ่นเขาได้นะครับ